ขายขายนมผู้โลภมากกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆมีเฮนรี่และกอเริยอ้ภ ร, รยาของเขาอาศัยอยู่เฮนรี่เป็นคนขายนมทั้งสามีและภ ร, รยาเป็นเจ้าของวัวนุ่มพวกเขาดูแลวัวของเขาเป็นอย่างดีพวกเขาให้หญ้าที่ดีและดูแลพวกมันอย่างดีเพราะอย่างนี้แล้วทําให้วัวของเฮนรี่ผลิตนมที่มีคุณภาพ ทุกคนในหมู่บ้านซื้อนมจากเฮนรี่เท่านั้นเฮนรี่และกอเรียได้รับเงินดีและมีชีวิตสุขสบายแต่ว่าเฮนรี่กลับไม่มีความสุขเขาฝันที่อยากจะมีบ้านหลังใหญ่และเสื้อผ้าแพงๆฉันเห็นบ้านหลังใหญ่อยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้านหน่อยเราน่าจะซื้อบ้านหลังนั้นเราน่าจะมีรถแพงๆและคนรับใช้เพื่อที่จะรับใช้เรา เราจะใส่เสื้อผ้าที่แพงที่สุดและชาวบ้านจนๆก็จะอิดช้าเราความรอบนี้จะไม่พาคุณไปไหนเราได้รายได้มากพอเราควรดีใจกับสิ่งที่เรามีเราจะมีความสุขในบ้านเล็กๆนี้ได้อย่างไรและข้อกลัวอ่ า, อากลิ่นของพวกมันเหม็นมากแต่ว่านี่เป็นที่ของเรานะอีกไม่นานหรอกจําเอาไว้ สักวันหนึ่งฉันจะเป็นคนที่รวยที่สุดในหมู่บ้านอทุกวันที่เฮนรี่ออกไปขายนมชาวบ้านมักจะเชื่อชมเขาเฮนรี่นมนี่ดีและสุขภาพดีมากนายต้องดูแล ว, วัวนายอย่างดีแน่แน่เลยใช่ๆชฉันดูแลมันอย่างดีแต่ว่าอีกไม่นานรับเมื่อฉันรวย ฉันจะขายหัวพวกนั้นฉันไม่ชอบกลิ่นพวกนั้นในบ้านฉันแต่วดเหล่านี้คือรายได้ของนายนายไม่น่าบนงานของนายนะมันช่วยให้นายอยู่รอดฉันก็ขายขข่เพื่อการอยู่รอดนั่นเป็นงานที่เหม็นเหมือนกันแต่ว่าฉันก็ไม่เกี่ยงนั่นคืองานของฉันแม่แมแม่งั้นนายก็น่าจะเกิดมาเพื่อขายไขย่แต่ฉันต้องทาสิ่งที่ยหญกว่านั้น เพื่อที่จะซื้อของแพงและเสื้อผ้าแพงๆความรอบนี้จะไม่พานายไปไหนเพื่อนทันทีที่นายเข้าใจมันจะดีกับตัวนายเออฉันเสียเวลาที่นี่มากแล้วขอให้หนายกับไข่เหม็นๆของนายขายดีลาก่อนเ อ, อ้ยเฮนรี่อยากจะได้เงินเร็วๆ เขาก็เลยลองหาวิธีที่จะรวยบ่อยๆแค่นี้เองเหรอนี่มันน้อยมากฉันจะขายนมให้มากกว่านี้ได้ยังไงนะต้องไปสักทางอืมหัวฉันทั้งหมดสุขภาพแข็งแรงฉันไม่สามารถเร่งให้มันให้นมได้และนี่ก็เป็นหมู่บ้านเล็กแม้ว่าฉันจะมีนมมากขึ้นแต่จะขายให้ใครละ่ะเดี๋ยวนะฉันไปหมู่บ้านข้างๆได้ มีครอบครัวมากมายอยู่ที่นั่นอ่าแต่ว่าฉันต้องซื้อหัวเพิ่มแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินมากพอไม่ฉันต้องทำอะไรสักอย่างฉันอยากได้บ้านที่ใหญ่ขึ้นฉันไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อหัวแต่ฉันต้องทํานมที่มีคุณภาพฉันต้องทํายังไงนะ ขณะที่เขาเดินไปเขาเดินผ่านแม่น้ำในที่สุดความโลภก็ได้ครอบงำความคิดของเฮนรี่แล้วถ้าฉันผสมน้ำนิดหน่อยลงไปในนมละ่ะฉันจะได้ไม่ต้องซื้อหัวเพิ่มและฉันก็จะได้ขายนมให้หมู่บ้านข้างๆได้โอ้นี่เป็นความคิดที่ดีมากไม่มีใครรู้หรอก ว่าเราใส่น้ำลงไปด้วย <c oughs> และนั่นคือสิ่งที่เฮนรี่ทำเช้าวันรุ่งขึ้นเฮนรี่เอาขวดนมใส่ถังแต่ครั้งนี้เขาใส่นมแค่ครึ่งหนึ่งและเหลือที่เอาไว้เขาหยุดที่แม่น้ำและใส่น้ำลงไปวันนั้นก็เหมือนกับทุกๆวันชาวบ้านดีใจที่จะซื้อนมจากเฮนรี่และจ่ายเงินเท่าเดิมเนื่องจากเขาใส่น้ำเพิ่ม ทำให้เขามีนมเหลือที่จะไปขายต่อหมู่บ้านข้างๆคืนนั้นเองเฮนรี่มีความสุขมากมันดีมากเลยถ้าฉันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆฉันก็จะรวยเขาพูดถูกเวลาผ่านไปเฮนรี่รวยกว่าเมื่อก่อนเขาซื้อรถใหม่และปรับปรุงบ้านใหม่เขาติดการที่จะเติมน้ำลงในขวดเขาไม่คิด จะซื้อวัวเพิ่มสักตัวและความต้องการนมมากขึ้นการเติมน้ำก็มากขึ้นตามเป็นอาทิตย์ผ่านไปชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นทั้งหมู่บ้านพูดถึงนมผสมน้ำเมื่อทุกคนอยากรู้ความจริงชาวบ้านสองสคนรวมตัวกันหน้าบ้านเฮนรี่มีอะไรเหรอ เฮนรี่เรามีข้อตำหนิเกี่ยวกับนมของนายนะรสชาติเหมือนน้ำเปล่าอะไรนะทำไมถึงพูดแบบนั้นเราจ่ายเงินซื้อนมไม่ใช่น้ำนะเฮนรี่นายหลอกพวกเราไม่ได้อีกแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพวกนายไม่ชอบของดีฉันทำงานหนักมากไปซื้อที่อื่นซะถ้านายไม่ชอบฉันไม่ต้องการพวกนาย มีชาวบ้านอีกหลายคนในหมู่บ้านรักนมที่ฉันขายเฮนรี่เดินเข้าบ้านอย่างรวดเร็วและปิดประตูใส่ชาวบ้านตกใจกับพฤติกรรมของเฮนรี่นี่บางอย่างผิดปกติฉันเห็นด้วยเราต้องรู้ให้ได้เลยพวกเขาวางแผนและอยากที่จะรู้ความจริงเช้าวันรุ่งขึ้นเฮนรี่ ก็เดินไปที่แม่น้ำตามปกติเขาเปิดที่ใส่นมและเติมน้ำลงไปแต่เขาไม่รู้เลยว่าเขาถูกมองอยู่เอกล้านี้ยังไงนั่นมันไม่ยุติธรรมเลยแบบนี้ไงละ่ะเขาถึงได้รวยขึ้นเขามีวัวเท่าเดิมแต่ว่าขายนมให้กับหลายครอบครัวได้ชาวบ้านเข้าใจทุกอย่างแล้ว และตั้งใจจะสั่งสอนชายไขยน่นมจอมโลบวันรุ่งขึ้นกลอเรียไปที่ตลาดเพื่อไปซื้อธั ญ, ญพืชคืนนั้นเองเฮนรี่กลับมาจากที่ทำงานพวกเขานั่งลงเพื่อกินอาหารอ๋อนี่อะไรเธอทำอาหารใส่หินงั้นเหรอหินเหรอไม่มันคือธั ญ, ญพืชไม่มันไม่ใช่ฉันไม่เชื่อ คนขายขายหินให้เธอผสมธั ญ, ญพืชแน่นอนเขากล้านี่ยังไงฉันจะไปพบกับพวกเขาพรุ่งนี้คืนนั้นเฮนรี่และกอรียไม่ได้กินข้าวทั้งคืนเฮนรี่เดินเข้าไปหาพ่อค้าในตอนเชา้าคุณขายอะไรให้พวกเราเนะี่ยเราไม่ได้จ่ายเงินเพื่อหินเราจ่ายเงินเพื่อญญธัญพืชถ้าไม่ชอบก็ไปซื้อที่อื่นฉันไม่ต้องการเธอ เฮนรี่โกรธและกลับบ้านหลังจากนั้นเขาไปซื้อไข่หนึ่งโหลเขากลับบ้านมาเพื่อตอกมันแล้วเขาก็เห็นว่าไข่ไก่สิบฟองนั้นกลายเป็นหินเขามโมโหมากนายขายอะไรให้ฉันฉันจะซื้อไข่ไม่ใช่หินก็เหมือนกับที่เราจ่ายเงินให้กับนมไม่ใช่น้ำไปซื้อที่อื่น ถ้านายไม่ชอบฉันไม่ต้องการนายเฮนรี่กลับบ้านอย่างโมโหวันรุ่งขึ้นเฮนรี่ซื้อเสื้อไหมพรมระหว่างทางฝนตกลงมาฝนก็ได้ล้างสีเสื้อออกไปหมดเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขารู้ว่าเสื้อของเขาไม่ได้ทํามาจากไหมแต่ทําทจากใ ย, ยปอเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นสองสาวันเมื่อเฮนรี่ไปซื้อของ เขากลับบ้านมาแล้วได้ของที่ต่างไปฉันเบื่อเรื่องพวกนี้มากทำไมเขาไม่ขายของที่ถูกต้องกับเรานะพวกมันหลอกเรามันไม่ยุติธรรมเฮนรี่คิดแต่เรื่องของตัวเองและความโลภทำให้ลืม alliance, คิดไปว่าเขาก็ทำแบบนั้นกับคนอื่นเหมือนกันเวลาผ่านไปหมู่บ้านข้างๆก็เริ่มบน่น แล้วในไม่ช้าก็ไม่มีใครซื้อนมจากเฮนรี่อีกเลยเมื่อเขาไม่มีเงินใช้จ่ายเฮนรี่เริ่มขายของที่เขาซื้อมาตอนที่เขาขายนมคุณภาพต่ําตอนนี้เฮนรี่เป็นคนขายนมที่จนที่สุดเขามีวัวที่เต็มไปด้วยน้ํานมและบ้านไม่กี่หลังที่ยังซื้อนมของเขาอยู่คุณคิดได้แล้วใช่ไหมว่าทําอะไรลงไปความลบของคุณทําให้เราจน ถ้าเราขายนมคุณภาพต่อไปเรื่อยๆนะเรานะ่สามารถซื้อบ้านหลังใหญ่กว่านี้และซื้อเสื้อผ้าที่แพงกว่านี้ได้สิ่งที่ต้องทำคือต้องอดทนแล้วก็ทำงานหนักไงฉันเห็นด้วยนะกอรียฉันควรฟังเธอฉันไม่เพียงแค่เสียเงินแต่ฉันยังสูญเสียความเคารพและความเชื่อใจของคนอื่นด้วยอ เฮนรี่ขายนมต่อไปและดูแล ว, วัวของเขาเขารู้แล้วว่าความโลภน่ากลัวขนาดไหนเขาได้เรียนรู้แล้วจากวันนั้นเขาไม่เคยที่จะใส่น้ำในนมอีกเลยและมีความสุขกับรายได้ของเขา